พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าที่มาของพิพิพธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล อ้าวลถมากจะไหนอีกหลายแต่ว่าคราวนั้นจำเป็นคือองค์หลวงตาตอนที่ท่านป่วยอาพาธหลวงพ่อก็เข้าไปพอท่านอ า, า, นน า, าพาธแล้วก็มรณลานพาให้พวกน้องๆให้พวกคณะเป็นองค์พูดเป็นองค์แสดงก็ไม่มีใครพอเห็นไมนะ่ แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงจะเนี้ยได้จําเป็นอ้อเข้าไปก็ว่าเลยนี่เอที่ทูนก็เลยถ้าหากว่าไม่ใช้เครื่องเสียงตอนเช้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไงอีกเหมือนกันเพราะว่างานใหญ่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเอองานของลงตาของเรานะเ อ, อไปถึงที่นน้นที่นี่แล้วยังขาดอยู่นั้นนะยังนี้ยังอันนี้นะ ให้ช่วยกันนะอพี่น้องทั้งหลายทุกองนะใจเย็นๆนะอย่าไปใจร้อนนะแต่หลวงพ่อเลยกลัวที่สุดกลัวมันจะทะเลาะกันเ อ, อพยายามพูดโน้มน้าวให้ทุกคนใจเย็นเหมือนกันนะออตอนเช้ามากับผู้วันหนึ่งก็ให้แนวความคิดข้อหนึ่งวันหนึ่งก็ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งแต่ก่อนที่จะให้แนวความคิดโอ้คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะ่ะออวันนี้จะให้อะไร แต่ก็ดูๆลกักษงานลวงตาก่อนรู้สึกว่าไปได้ดีราบรื่นแต่เดี๋ยวนี้ยังมีอีกนะพวกเราคณะัทายาทโยมกรุงเทพวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดที่จะถึงเนะี่ยหลวงพ่อจะได้ลงไปทอดผ้าป่ากรุงเทพอีกวันที่เจ็ดกรกฎาเนะี่ยคือสวนแสงธรรมตั้งแต่น้ําท่วมปีนี้น้ํำท่วมนะอที่พักกุติหลวงตาเนะี่ยเครื่องหน้าต่าง อแล้วก็วิทยุเสียงธรรมของหลวงตาน่ะมีอยู่สิบกิโลวั ต, ต์พอสิบกิโลวัตในน้ําท่วมถึงเก้ากิโลยังเหลืออยู่กิโลเดียวกิโลวั ต, ต์คือมันเป็นชั้นชันชันๆเหมือนเออเลียงเลี่นงแต่ในน้ามันท่วมถึงเก้ากิโลวั ต, ตยังเหลืออยู่หนึ่งกิโลแต่ว่าแต่ละกิโลนั่นก็มันเชื่อมหากันนะเชื่อมเป็นแผงอเออส่งไปออกทางอากาศแต่ในน้ํามันท่วมมันปลดไม่ทัน ไม่ผลไม้ทั้งกยังเหลืออยู่ตัวเดียวข้างบนตัวนี้มาน้ําท่วมหมดทีนี้จะทํายังไงคุณชายปั๊มก็เป็นผู้ดูแลอยู่นั่นจะทำไงท่านอาจารย์ทำมันท่วมหรือทําไงก่อนไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องสั่งใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ต้องใช้ไอ้น้ำแต่ยางดีแล้วละ่ะอย่างดีนะเท่าไหร่มาจากประเทศอิตาลีสามล้านห้า เออิกิโลวัตต์เดี๋ยวนี้พวกคณะสัทธา ญ, ญาติโยมแถบพถุนทธมนฑนสายสองสายสามแถบนั่นน่ะแถวแนครปฐบแถบนั้นเขาบอกว่าทำไมพอหลวงตาจากไปเสียงหลวงตาก็หมดไปด้วยทำไมลูกจิตลูกหาหลวงตาทำไมจะให้เสียงหลวงตาหมดไปคือมันน้ำท่วมจุดนี้แหละจะข้าวนั้นมายัางสั่งเครื่องเข้ามาอย่างไม่ได้แต่ทีคุณชายเขาบอกว่าถ้าเราเอามาใส่อีกจุดเกา่า ีต่อไปน้ําท่วมเราจะทําัไงตะกรายกอาคารขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดอย่างยกอาคารขึ้นเพื่อไม่ให้น้ําท่วมสูงเกือบสองเมตรที่จะใส่อวิทยุห้องวิทยุอาคารเหล่านี้ก็คุณชายฝามบอกว่าหลังนี้ผมตกลงเขาล้านเจ็ดตรงนั้นอันนี้ล้านเจ็ดอันนี้สามล้านห้าใช่ไหมล่ะเครื่องแต่ในสามล้านห้าแล้วจะมีอีกครั้งหนึ่งอีก หลังนั้นสําหรับเวลาพระมาสวนแสงธรรมอยู่ในน้ำน้ำท่วมชั้นล่างทั้งหมดแล้วอย่างกุดหลงพูลี่ที่อยู่ใกล้ๆกันน้ำครึ่งหน้าต่างใช้ไม่ได้แล้วเแต่มาน้ําท่วมจะต้องจําเป็นจะต้องใช้อีกหลังหนึ่งสําหรับเป็นที่หลบของพระเหมืนั้นน่าจะมีเราก็เอิงเอเกเขียนด้วยก็เลยลังนี้อีกล้านสามเฉอหลังนี้ล้านสามกิทยุตรสาม้านห้าสถานีวิทยุ ล้านเจ็ดคิดดูสิเงินจะเป็นเท่าไหร่หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหลวงตายังอยู่นะเรื่องอย่างนี้เรื่องจิปจ้อยเออจิปจ้อยมากถ้าหลวงตายังอยู่แต่หลวงตาจากไปแล้วเนี่ยจะให้ใครแบกถ้าหลวงพ่อจุดใจแบบเจ้าวาดใหม่แบกกับหลังแอนเหมือนกันนู้ถ้ายกมาให้หลวงพ่อเองหลวงพ่อเอง ก, กับหลังแอน ปอยนั้นพวกเราในฐานะสิทธิลูกหลานของโรงตาเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าของสวนแขนธรรมเห็นคุณค่าสถานีวิทยุที่มรดก ข, ของโรงตาท่านถ่ายทอดเราะว่าท่านเอามาให้พวกเราแล้วพวกเราไปช่วยกันคนละไม้คนละมือน ะ, อะวันที่เจดกรกฎาพอฉันจังหารเสร็จแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี่จะได้หาทุนตัวนี้แหละอย่างที่ว่าเนี่ยคือมีความจําเป็นซึ่งหน้าเลยตัวนี้ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีปัจจัยตรงตากระมอบให้คุณชายป๋อมมันก็ไม่มากสําหรับบริหารค่าน้ําข่าวไฟอะไรอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเอาเงินก้อนนะั้นมาจ่ายตัวนี้นะแล้วคุณชายป๋อมจะใช้อะไรต่อไปเหมือนกับหมดไม้หมดหมืออีกเหมือนกันเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นศิษยานุสิทธิ์ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสชนะ่วช่วยกันช่วยช่ยกันคิดช่วยช่วยกันทําเน้อช่วยกันคิดอ ว, นะ ว, วันที่เจ็ดกรกฎานี่แหละออ เพื่อหาทุนซื้อเครื่องส่งวิทยุยเสียงธรรมของหลวงตาอันนี้หลวงพ่อจะได้ลงไปกรุงเทพในช่วงนั้นแต่นั้นนานน้วหลวงพ่อจะได้ลงกรุงเทพพวกคณะศรัทธาญาติโยมก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นหลวงพ่ออย่างวัดป่าบ้านตาคงเหมือนกันแหววัดป่าบ้านตาเยคนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเอ๊พระองค์นี้มาจากไหนคนเขาเห็น เขาเห็นในสถานนีแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่เข้าไปจริงๆคือไม่ได้เข้าไปในงานใหญ่ๆเช่นว่างานกระถิ่นหลวงพ่อก็ไม่เข้างานเปิดโลกธาตุหลวงพ่อก็ไม่เข้าแล้วกับงานทําบุญประทายข้าเปลือกหลวงพ่อก็ไม่เข้างานใหญ่ๆนะแต่หลวพ่อเข้าไปคืองานสิบสองสิงหาหลวงพ่อเข้าไปพ่อเหตุไรพ่อจะต้องเข้าไปกราบ พลวัลหลวงตาแล้วก็ทําวัดไอ้แค่ว่ า, ามุดน้ําดําหัวลูกศิษย์ลูกหาพร้อมกันก็ได้เข้าไปวันนั้นเท่านั้น น, น, นอกนั้นไม่เข้าไปเพราะฉะนั้นศ ร, รัทธาญาติโยมเขาก็ไม่เห็นว่าพระออกนี้มาจากไหนแต่หลวงพ่อเข้าก่อนนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่เข้าหลวงพ่อเข้าทุกครั้งแต่ว่าก่อนที่จะทําบุญประทายเข้าเปือกหลวงพ่อก็เข้าก่อนประมาณสี่ห้าหกเจ็ดวัน ไปทำบุญเอาปัจจัยไปถวายท่านก่อนบุญกระถินก็ว่ากันเอาปัจจัยเข้าถวายท่านก่อนหรือวพอทุกเดือนยกช่วาทุกเดือนก็นําปัจจัยเข้าไปถวายท่านที่ได้อย่างท่วกญาติโ ย, ยมถวายนเนี่ยหลวงพ่อก็รวบรวมไว้พอลงตาท่านว่าเออเราช่วยโรงเรียนเราช่วยโรงพยาบาลเราช่วยเครื่องมือแพทย์อย่างที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าพวกเราลูกหลานลูกๆทั้งหลายไม่มอบไม่ถวายท่าน ท่านจะหาเงินมาจากที่ไหนพวกเราจะต้องเข้าไปถวายท่านอหลวงพ่อว่าถ้าพ่อเรามีชื่อเสียงโด่งดังนี่ยลูกก็ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยเหมือนกันถ้าว่าพ่อชื่อเสียงไม่โด่งดัง่ยลูกจะโด่งดังได้ยังไงอันนี้ยลงตาเนี่ยท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่โลกพวกเราในฐานะลูกออกไปถวายท่านหลวงพ่อไปถวายที่แต่แสนสองมเสียงแสนสี่ห้าเ้น กรินนี่ยพุ่ว่าพ่อไปถวายถวายท่านนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็ไม่ลงแต่พอวันที่มรณภาพหลวงตาก็มีพิ่นายกรรมเขียนไแ้แหละบอกว่าหลวงพ่อในองค์ให้ดูแลสิริละของหลวงตาแล้วก็พร้อมกันก็ให้ดูแลเกี่ยวกับจตุปัจจัยที่คนมาถวายมากน้อยแค่ไหนให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดแต่เรื่องจัดการมรดกนั้น มอบให้พระ อ, อาจารย์จุใจทันตมโนเป็นผู้ดูแลเรื่องมรดกที่มันมีอยู่ยังไงแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยให้จัดงานสรีระหลงตาแล้วก็ให้ปัจจัยศรัทธาญาติโยมมาถวายในงานของหลวงตาหึงจะมากน้อยขนาดไหนก็ตามให้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดจำนวนแต่ปัจจัยจำนวนอื่นที่มันมีมาก่อนเก่า มีอะไรก็ตามให้พระอาจารย์จุดใจทันตมโนเป็นผู้ดูแลอันนี้เนี่ยหลวงตามีพิ น, นัยกรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงจุดนั้นหลวงพ่อก็กระโดดเข้าไป <c oughs> เลยทีนี้เข้าไปควบคุมแล้วจะควบคุมปัจจัยได้อย่างไรหลวงพ่อก็คิดอีกเห็นทางเดียวหลวงพ่อก็ซื้อตูเนะ้เซฟเลยทีนี้ที่แรกไม่มีตู้เซฟวัดป่าวั น, านตาท่านก็ท่า น, า น, า น, านตอนเช้ามานก็ก็ะยดตู้ธรรมดาท่านก็เอา ต่อเช้าแล้วก็เก็บมันก็ไม่มีปัญหาอะไรลงตายยังอยู่ใช่ไหมแต่เนี่นเมื่อลงตายจากไปนี่ยตู้ตอนนั้นมันไม่ได้ลงพ่อก็ต้องสั่งตู้เซฟมาเลยสั่งที่แรกวันแรกหกตู้ไม่พอสั่งมาสิบตู้ไม่พอสั่งมายี่สิบพงที่สุดมาเกือบห้าสิบตู้นะเออจึงอยู่ว่างั้นคนโอ้โหมันล้อนอะ่ะแต่ขนาดนั้นก็เปิดไปแล้วสามครั้ง สรุปแล้วคื อ, คอได้ทองคําลเงินทั้งทองเ่ยทั้งเจ็ดร้อยกว่าล้านนะอลวงพ่อไม่คาดไมคิดเลยที่ต้องตาสัง่งว่าเงินนมาในงานศพของเราเอเงินทุกบาททุกสตางค์มาในงานศพของเราอย่านํามาใช้ในงานศพของเราศพของเราใช้ฝืนเท่านั้นเผาอย่านําปัจจัยมาใช้ปัจจัยจะให้เกิดประโยชน์ต่อโลกต่อพี่น้องประชาชนต่อชาติไทย ให้ซื้อทองคําเข้าคังหลวงเออเนี่ยอันนี้คือคําสั่งของหลวงตาแต่นั้นเราก็เราก็ดูเลยตัวเนี้เ อ, อเราก็วาควบคุมปัจจัยตัวนี้ท่านี้พอในที่สุดเสร็จแล้วตันี้พอหลวงตาได้เท่าไหร่คุณชายป๋าปเท่าไหร่ปัจจัยเกือบเจ็ดร้อยครับโอ้เราจะเอายังไงล่ะตันี้แต่นี่หลวงพ่อก็ปรึกษาพวกทนายความพี่ภากษาอายการพราหลวงพ่อก็รู้จักใคร พวกท่านก็ให้คำํำตึวสารว่าอืเรื่องนี้เมื่อลงตาจากไปแล้วเนี่ยเราจะทําเหมือนลงตาไม่ได้ถ้าลงตาต่างเอาซื้เออเคาะเลยแตเ่เขาว่าทองเเขาว่าเคาะใช่ไหมเออเคาะทองเคาะเลยคุณใช้ปั๊มก็เพิ่จัดการเลยเพราะฉะนั้นแต่ี้เมื่อลงตาไม่อยู่เงินทั้งหลายหกเจ็ดร้อยล้านเนี่ยจะให้มอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นคนเคาะทองคนนั้นผลประโยชน์มันจะเข้ามาถ้าคนไม่ชื่อสัตว์นะเออ แค่ไหนเขาบอกว่าต้องเป็นทีมคณะกรรมการต้องมีแบ่งชาติต้องมีอะไรเข้ามาจัดการตรงพ่อเอเอาอย่างไงกันเนี่ยพอได้เงินมาก็ทุกใจอีกเหมือนกันไม่รู้จะเอาอย่างไรบางทีจะถูกต้องใช่ไหมล่ะเออเอาอย่างไรแต่ที้หลวคุณชายเอาคุณชา ย, ค, ชายคุณชายเอาอย่างไรวะคุณชายบอกว่าเฮ้ยท่านผมอยู่กับหลวงตาเนี่ยเอผมอยู่กับหลวงตาเนี่ยหลวงตาบอกว่าเอาเลย ผมก็เอาเลยไม่มีอะไรมันถูกหรืแพงเดี๋ยวที่วันนี้ถูกยังไงตรงตางสางังคมเอาเลยผมไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือแพงแต่เาวเนี้จะเอาอยัางไงถ้าจะให้ทุกคนเห็นด้วยซะก่อนนี่ผมว่าสามถึงห้าปีก็ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวคนหนึ่งปงีหนึ่งคนหนึ่งอปกว่าจะลงมติกันได้ไม่ได้ท่านถ้าท่านเห็นพร้อมต้องการวันนี้เอาวันนี้เลยเพราะเนี่ยเมื่อคืนนี้ไหมริเบียเขาถลบกันแล้ว ทองต้องขึ้นแ น, น่ๆคุณชายป๋ำบอกไงถ้าจะเอาเปล่าเอาอเอ้าถ้าอย่งั้นเราก็เชื่อคุณชายป๋ำาเออเชื่อคุณชายป๋มเอ้าพระอยู่ที่นี่มีกี่องค์วะทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งพระโยมเลยประมาณเกือบสามสิบคนเอ้าเป็นสกีพยานนะเราเคาะทองให้คุณชายป๋ำเป็นคนเคาะทองวันนี้เดี๋ยวนี้แหละคุณชายป๋ำก็โทรไปเลยโทรไปทองเท่าไหร่ก็ประมาณสัก เงิมื่นเจ็ดพันกว่ากว่าเอาเคาะเลยเอาทั้งหมดแต่นี้ก็พอเอาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็ได้ยินเขาพูดมาอีกเหมือนกันได้หลวงพ่ออินอยู่ในนั้นน่ะเอทําไมไปเคาะทองกรรมการที่อยู่ในนั้นเป็นกรรมการใครก็ไม่รู้เออแล้วก็เนี่ยทําไมเงินขนาดนั้นทําไมไปซื้อทองแบบมีแต่กรรมการเอมีแต่พระ เหล่านั้นเท่านั้นน่ะทํำไมหลวงพ่อเขา้อนร้อนหนาวหนาเหมือนกันนะร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันว่ามันก็มีกรรมการจริงจริงเออพ่อคุณชายเขาสั่งซื้อจริงๆเออกรรมฐานมีพระเนี่งนั้นจริงแต่จะให้กรรมการเอออย่างหลวงพ่อปุ๋งปู่ฟัาหลวงพ่ออินหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อวันชัยคือพระนี่และกับพ่อถุดใจอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในด้านทั้งหมดใช่ไหมหลวงพ่อจุดใจก็ทั้งไม่ได้อยู่มิตรลูกพ่อนะ จากนั้นก็มีแต่คุณชายป๋ำดรเรชาแล้วก็ผู้กํากับอยู่ๆแล้วดรเชาไม่อยู่ยผู้กำกับอยู่ๆแล้วก็อะไรโยมผู้กองอีกคนหนึ่งในกรรมการถูกบอกเออเอาเซได้อทองทั้งหมดได้ทองทั้งหมดสิบสามตัน ที่เได้สิบสองตันกว่ากว่าสิบสองตันกว่ากนิดหน่อยแต่เนี่ยเราซื้อมันจะครบให้เอามันครบสิบสามตันเลยวะแต่ซื้อสามตันไม่พอเห็นเงินไม่พอยังขาดอยู่เพราะว่ายังขาดอยู่ทีน่นี่เราก็เอาเงินที่ลงตาที่จะไปสร้างโรงพยาบาลนะนะที่จะไปสร้างโรงพยาบาลห้าร้อยล้านนะเอามาซื้อก่อนดิเออคือเอาก้อนนั้นมาซื้อเออมาซื้อให้เพียงพอให้มันพอมาได้่สิบสามตันเอ่อ ก็ได้ซื้อพอเสร็จแล้วก็ออเอออไงไงก็เป็นนี่ลวงตาเป็นนี่ลวงตาไปก่อนว่ะก็สั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยพอวันมอบจริงๆนะทองคำมันขึ้นถึงสองหมืนสองหมืนห้าเออทั้งที่เราซื้อ 1,700 งหมืนเจ็ดนะพอเรามอบวันมอบทองเนะี่ยสองหมืนห้าเออบอกกิโลหนึ่งเนี่ยเราได้กำไรแสนกว่า เออกิโลหนึ่งเราได้กบไรแสนกว่าบาทเพราะนั้นคนที่จะตำหนิหลวงพ่อเองวาเคาะทองเร็วหนึ่งก็เลยหายเงียบไปอเออเออก็เลยหายเงียบไปโอ้ยถาว่าราคามันทองมันลดลงนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นขี้ปากคนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเออเนียโอ้หลวงตาช่วยจริงๆแต่ได้พอต่อมาเองนียพอยืมเงินของหลวงตาหนึ่งเกือบ สามสี่สิบล้านถเนี่ยซื้อทองคอําอ่ะจะได้กับพอซื้อจากกรุงเทพหาเงินได้ประมาณไม่ถึงสิบล้านปันนะปันมอบทองนะหลวงพ่อก็มอบให้ทั้งหมดะนะแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่นี่พวกญาติโยมทางอุดอรเนี่ยเขก็ร้อนใจวะทำไมเอายืมเงินของหลวงตาเงินโรงพยาบาลไปแล้วเอทําไมไม่ส่งคืนให้หลวงตาอ๋กตาย เราก็บอกเออเอาไปบอกให้ท่านคุณชายป๋ำท่านพพระท่านนพดลท่านคุณมีท่านสี่ห้าหกองหลวงท่านหลว ง, งพ่อจุใจตัวถ้าไปตรวจดูสิว่าเงินของหลวงตาเนี่ยยังเหลือมากเท่าไหร่เงินก้อนเนี่ยเงิน ท, ที่ที่บัญชีที่เปิดไว้เนะี่ยมีมากเท่าไหร่ถ้าหากว่ า, าได้เท่าไหร่ยังขาดเท่าไหร่พวกเราต้องลงขันกันอลูกศิษย์ลู ก, ลกหาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยพ่อเป็นพ่อ ป, ป๋าได้ลงขันกัน อย่าให้มันเป็นนี่สินพราอเราเราอยากจะให้กองคําถึงสิบสามตันเน่ยเราก็เลยยืมเงินก่อนนะเพราะนั้นอย่าให้นะเราจะต้องให้ผลที่สุดพอพระไปเปิดบัญชีเปิดตัวแล้วไม่รู้เงินมันเข้ามาทางไหนเงินเกิดไปั้งหกล้านกว่าอีกโอ้หลวงพ่อก็มาแปลกใจอีกโอ้หลวงตาเนี่ช่วยเหลือเราจริงๆไม่ให้เราเป็นนี้ ไให้เราเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้ว่าเงินมันมาทัลั์มาอย่างไงมันจะเข้ามาเกินมาตั้งหกล้านทีแรกเราคิดว่าเราจะเป็นหนี้ตั้งสามสี่สิบล้านก็โอ้หนักหนาสาหัสพอสมควรนะนี่แหละแค่ว่าทุกอย่างก็เลยลาบเลื่นไปหมดไอ้ีนเอา้าตอนนี้ไปเราไม่เป็นหนี้กันแล้วใช่ไหม <c oughs> จบแล้วนะที่นี่นะเล ย, เลยจบเลยทุกอย่างก็เลยลาบเลื่นไปหมดเลยเนี่ยว่าโอ้บุญบา ร, รมีของหลวงตาเนี่ย เหลือขาอนาราชการจริงๆที่ว่าหลงพ่อเข้าไปในงานของหลงตาเนี่ยเข้าไปด้วยความจำเป็นแต่ว่าจำไม่มีใครพูดอย่างไรเลยเข้าไปกันเออเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะที่ว่าท่านมอบให้เราเมาอบความไว้วางใจอยู่ในพินัยกรรมเนี่ยเอาเราก็ต้องไปทำทำจนสุดความสามารถ แต่บางคนเขาก็ว่าโอ้โหเวอร์เกินไปหลวงพ่ออินจัดงานหลวงตาโอ้ไม่ใช่นะลูกหลานนะจะไปคิดอย่างนั้นอันนี้เราคิดตามเนื้อหาสาระของคนเราฟังฟังฟังฟังกูนะเขาก็ถามหลว ง, ง, งพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นแม่งานเขาถามหลวงพ่อคนจะมามากไหในงานหลวงพ่อจะคิดได้ยังไงใช่ไหมให้แคาว่าจะพอนายตุ๊พ่อหนึ่งล้านคนเออประมาณหนึ่งล้านคนให้ต้อนรับ แขกที่มาในงานของหลวงตาหนึ่งล้านคนคือคนที่จะพูดคำนี้นะมันก็พูดยากเหมือนกันมันจะมาถึงหรือไปถึงก็ไม่รู้เออแต่ว่าเราก็หนึ่งล้านคนอย่างงานของหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันนะงานของหลวงปู่ล่าเนี่ยก็ว่าท่านงานของหลวงปู่เนี่ยคนจะมามากเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าประมาณห้าแสนลดเท่าไหร่ รถบัสอย่างประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยคันแต่รถฟิกอัพรถธรรมดาเนี่ยเตรียมไว้เลยที่จอดรถเกือบหมืน่นเตรียมาเลยสถานที่อันนี้คือคือการคาดการถ้าว่าไม่มีใครคาดการณะเราจะไปทําขนาดไหนก็มันทําไม่ได้เลยจริเออต้องมีพูดหรือว่าขนาดนี้นะงานนี้นะเออย่างหลงพ่อเนี่ยบอกว่าไงานลงตาย น, นะรถบัสไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดพันเจดแปดร้อยคันเป็นอย่างน้อย เอแต่รถเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นเออสี่ห้าหมื่นคันในท้องนาแถบแถบนีน่จุดนั้นสามพันไร่สี่พันไร่เน่ะให้ไถให้ไถคันนาเตรียมคันนาให้พร้อมไปที่จอดรถเออพอนั้นจริงๆมันเต็มจริงๆเว้นเออมันเต็มจริงๆอย่างที่ว่าเออพอตนั้นเวลางานจบออกมาใครกัเอือ งานหลวงตาเนี่ยราบรื่นเออใครเขาบอกไปขึ้นไปขึ้นไปไปเลยจบไปเลยเ อ, อไม่ไม่มีอุปสรรคะใดๆแต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนถามว่าเจดีย์หลงตาจะสร้างไหมหลวงพ่อว่าสร้างเอา้าไม่สร้างแต่ไม่ใช่ของหลวงปู่ลีนะของหลวงปู่ลีอีกต่างหากหลวงปู่ลีนั่นคือหลวงปู่ลีท่านก็จะซ่อมแต่เราก็ไม่ว่ากันอันนั้หลวงปู่ลีแต่ว่าหลวงตาเนี่ ที่วัดป่าบ้านตาดจะไม่มีอะไรเลยคงจะไม่ถูกต้องเพราะวัดป่าบ้านตาดจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ที่อื่นที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีทาวอวัตถุให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเเลยคงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาด ต, ต้องมีแน่แต่จะมีลักษณะอย่างไรนั่นเองแต่หลวงตาท่านพูดนะอาตมาก็พูดต่อคณะดฉัฏทาญาติโยงคณะมหาวิทยาลายัยศิลปากรแล้วก็ทูณกระหม่อมฝ้ายหญิงองคเล็ก พว่าทุนกระหมอมฟ้าหญิงเนี่ยท่านเรียกหลวงตาว่าท่านพ่อท่านพ่อแต่หลวงตาเรียกทุนกระหม่อมหญิงเนี่ยว่าทุนกระหม่อมลูกท <ój tier him out> ี่หลวงตาเรียกนะเรียกตามเรียกชื่อตามที่ทุนกระหม่อมลูกแต่ทุนกระหม่อมเรียกหลวงตาเรียกว่าท่านพ่อนี่นะหลวงตาเนี่ยท่านเคยพูดก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนที่ท่านจะ มรณภาพสามปีก่อนเขาแก่สมหมายสมทรัพย์จังบวะร้อยเอเข้ามาขอลงตาขอการทับลงตากับผมขอสร้างเจดีลงตาเป็นเงินของผมเองผมจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับใครผมมีศรัทธาผมจะสร้างลงตาเอื้องสั้างได้สร้า ง, นะางจากนั้นเขาก็มาขอชื่อเจอดีลงตาอีกบอกว่าชื่อเจอดีผมสร้างจะตั้งชื่อว่ายังไงครับลงตาอะเจดีมหามงคลบวัว หลวงตาตั้งชื่อให้อีกเจดีมาหาหมงคบ์บรัวเขาก็ได้ชื่อด้วยเขาเกิดไปสร้างพอสร้างทีนี้พอเขาไปสร้างเขาก็นั่นแหละหลวงพ่อก็เป็นนั่นแหละพวกเราเป็นลูกสิษย์ูกหาหลวงตาเนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเราไม่กล้าขอหลวงตาเลยที่จะมาสร้างที่วัดป่าบ้านตากท่านจะดุก็ให้ท่านรัว ด, ดุท่านไม่พอท่านมาบอกไม่หด้วยไม่เอา ก็ให้ท่านออกหมาจากปากท่านเราจะได้ยินแต่ว่าท่านเอาเหรอถ้าเผื่อท่านเอาล่ะเราก็จะได้สร้างเจดีย์ถวายองค์ท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่เอาเราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่เอาอเด็กเรากลัวเราไม่กล้าพูดอะไรกับท่านเลยเนี่ยถ้าท่านจากไปเราก็จะเสียใจเมื่อภายหลังโอ้ทาไมเราไม่ถามท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตท่านจะให้สร้างหรือท่านไม่ให้สร้างทําไมเราไม่ขอท่านพวกเราจะเสียใจเมื่อภายหลังเพราะนั้นเราต้อง ต้องไปขอท่านลองเลยซิแต่ก็กลัวก็กลัวนะสิหลวงพ่อก็ให้พระในวัดเขียนเขียนตําราขึ้นมา เ, ม อ, เ, อ, เอางั้นเถอะเขียนเป็นบตรเขียนเป็นใบขึ้นมาพเาพื่อจะกราบเรียนท่านพอเขียนอ่านแล้วก็มาร่างเสร็จแล้วก็มาอ่านครับเข้าท่าแล้ววแล้วเข้าไปเข้าไปก็มีการประชุมนะมีประชุมทั้งหมดหไอ้ประชุมเรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามีพระทั้งหมดแบบสามสิองค์นั้นยี่สิบองค์เป็นพระผู้ใหญ่ทั้งหมด เราก็ไปกับพระประชุมกันเอ้ยหมู่พวกเพื่อนมานี่ผมจะอ่านนี้ให้ฟังฟังพระเท่ากับฟังฟังอ่านอ่านอาน่นสรุปแล้วก็คือขอสร้างเจดีย์ลงตักเออห็นด้วยเห็นด้วยเข้าท่าเออเห็นด้วย เ, าาเอยเยเอเ อ, เอาจากนั้นก็เข้าไปกราบเรียนหนึ่งสถานีวิทยุพอสถานีวิทยุจบแล้วก็เลยเอา้าหลวงพ่อนพดอนอ่านดูสิขอากาศพระแม่กุญจารย์กับผมขออ่านรายงานนี้ ถวายพระแม่กุญจาร์กับผมอ อ, อ่านมีไรพออ่านไปเป็นเรื่องเจดีอ่านไปเรื่องขอสร้างอนุญาตสร้างเจดีจากหลวงตาอ่านอ่านอ่านอ่านอ่า น, อานพอจบแล้วอย่ามายงุงเราไม่ให้ทําเราไม่เห็นประโยชน์นั่นเอาทําเข้าหัวใจของคนจะเกิดประโยชน์กว่าเราช่วยเหลือโลกมาทุกวันเห็นไหมโรงพยาบาลโรงเรียนหาทองคําเข้าคลังหลวงอันนี้คือการสงเคราะห์โลก อันนี้มันเรื่องส่วนตัวของเราอย่ายุง่ง เ, เราไม่ทาเราไม่เห็นด้วยอย่าทำนะหยุดนะโฟกเราก็งมองนะพอแผ พ, พอแผลแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกราบลงตาพอกราบลงมาเลยทีนี้ก็ต่อมาอีกสองสามวันสองสวันตอนเช้านะท่านจะฉันจังหันท่านก็บอกว่าเนี่ยนะมีพระมีอะไรนนะมาขออนุญาตสร้างเจดีย์เราเมื่อสองสาวันที่ผ่านมา เราไม่อนุญาตแต่ถ้าว่าจะสร้างลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์เราเห็นด้วยจะเกิดประโยชน์แต่จะสร้างเจดีย์ขึ้นมาจุกปุกขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็กราบปลุกปลกเออพูดอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้นึกในใจอะไรก็ไมุ่่มพุ่มพอมพุ่มพุ่มพแล้วกิดกราบแล้วก็ไปไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าหาว่าลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นผลงานของเราเราช่วยเหลือโลกมาเท่าไหร่ ผลงานของเราที่แสดงท อ, อให้ทำมากแก่คู่คนเท่าไหร่อันนั้นคือผลงานของเราเรือว่าปฏิปทาของเราพาดําเนินอย่างไรช่วยเหลือชงเคราะโลกยังไงอันนั้นถ้าอนุชนรุ่นหลังได้มาศึกษาได้มาอ่านอันนั้นจะเกิดประโยชน์เราเห็นด้วยถ้าทําอย่างนั้นถ้าจะมาสร้างเจดีย์เฉยๆเราไม่เห็นด้วยท่านว่านะถ้าหาว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นหยุดทั้งหมดไม่ต้องทําถ้าจะทําอย่างนั้นอืนทํา แต่นี้เราก็อยู่ทางนี้ก็ได้ยินวิทยุท่านพูดมาใช่ไหม<อ>คนก็บอกโอ้ท่านอนุญาตสร้างจี้นี่เราก็มาเอาเทปมอนด้านมาอีกหมมาฟังอีกแล้มาเขียนตำราขึ้นมาอีกเหมืนอนเขียนค่าใหม่ขึ้นไปแต่กาับเรียนท่านพอะนัดการประชุมเหมือนเก่า น, ะนประชุมเกี่ยวกับหาทุนหามูลิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนพอขึ้นไปน เ, เส็เแล้วพูดเตือนสถานในยวแล้วแต่อ่านหนังสือเร่อนี้ห่างกันไม่ถึงเดือนนะห่างกันไม่ถึงเดือนประมาณสัก ยี่สิบกว่าวันเนาะท่านบพลก็อ่านกะมาตรการ พ, พ่อแม่กุญจารย์ด้วยความเครารพคารวะที่พอ่อแม่กุญจารพูดว่าถ้าจะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์พ่อแม่กุญจารย์ไม่ขัดข้องแต่พวกกับผมพวกเก้ากับผมก็เห็นด้วยที่จะทําลักษณะพิพิธภัณฑ์เพราะพ่พอแม่กุญจารมีผลงานที่เอาชนะตัวเองแล้วก็มีผลงานทั้ห ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปในอนาคตท่านก็ฟังฟังฟังกันละเอ อ, เอถ้าจะทำอย่างนี้เราไม่ว่าเราก็เออชื้นใจลงมาแล้วกันเถอพอลงมาท่านนี้เราก็บอกกับท่านอาจา ร, รย์ปิวนะท่านปิวแต่ท่านผู้กำกับนะเอาไอ้ผู้กงกับท่านปิวถ้าหลงตาเดินทางออกไปนอกนอกประตูรั้วนะให้กราบเรียนถามท่านว่าข อ, อการพ่อแม่กุญแจ จะเอาตรงไหนที่เจดีพิพิธภัณฑ์จะเอาลงตรงไห น, ไหนใไปถามท่านให้กาบเรียนถามท่านแต่นั่นก็พอต่อมาแต่ก็ะโงงตาก็ออกไปข้างนอกจริงผูกก้กำกับกับท่านปิว๋วท่านก็กราบเรียนท่านว่าเพราะการครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่มาประชุมในวันนั้นนี่อยากจะให้กาบเรียนเพราะนายกุญแจว่าจะเอาตรงไหนพิพิธภัณฑ์จะลงตรงไหนครับผมเออท่านก็เลยเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน พอไปถึงหน้าศาลาใหญ่ที่เมนเดี๋ยวนี้พอถึงเมนทานกมองเออเอาตรงนี้ก็ได้นะเอาตรงนี้ก็ได้อพอจากนั้นท่านปิ๊วเลยหาหลักปูนที่เมนใหญ่ขนาดนี้นะไปฝังโผล่ขึ้นมาประมาณเม็ดกว่ากว่าต่เนี้ต่อมาไอรถก็ชน <c oughs> <c oughs> เวลาถอยไปมันรถก็ไปเฉียวไปชนไอ้หลักตัวนี้เหมือนกันเลยเพราะนี่ทุนทโอ้ไ่ได้ปัญหาเกิดขึ้น ก็เลยหาเหล็กกลมขนาดนี้เด็กแท่งยาวประมาณเม็ดกว่าตอกลงตรงนั้นเป็นแกนเอาไว้ที่ลงตาชี้นะชี้ที่จุดนั้นแต่นั่นแตพอรุ่งเช้าจา้ะนี่พอรุ่งเช้าพอพ อ, พอท่านชี้เกี่ยวจบแล้วนะลงตาตอนเช้าลงตาไม่บินสนะว่าดในโชนะลงตาอยู่มากแล้วท่านไปเดิ น, นยากลมอยู่ในข้างกุฏิท่านเดิ น, นกลมเสร็จแล้วเร่งก็ไปรับพอไปรับท่านปิวก็เข้าไปท่านก็บอกว่าเออ นกเมื่อวานเนี่ยเราลงออกไปชีจ้จุดสถานที่ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์อะไรนะ่ะที่เราไปชีนะ้เนี่ยอย่าเพิ่งทํานะให้นะครับไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรจนกว่าได้รับอนุมัติจากเราหรืรับอนุญาตจากเราจะทําอะไรค่อยทําแต่เดี๋ยวนี้อย่าทําเอาไว้ก่อนแทนใท่านปิยวท่านก็ขับผมเออแต่คณะขับผมเท่านั้นเองคนคนทั้งหลายกั หลวงพ่อก็ได้ยินมาอีกแด네้วสินะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เอินเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยนาคำน้อยเอจะทําอะไรก็ไปทําจะทําจะสร้างเจดีจะไว้ลงตาไม่รู้ว่าจะให้ลงตาทิ้งขาดทิ้งขันเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ <c oughs> ค็ดไปอย่างนั้นไปอีกเลยเราก็โอ้แต่แต่แต่ลูกศิษย์ลูกหาหลายคู่หลายคนมีแนวความคิดแตกแตกต่างกันหลวงพ่อก็เลยหยุดเค็ดหยุดพูดนะจนถึงวาระสุดท้ายที่หลงตาละสังขาร แล้วก็เลยถามว่าตรงไหนที่จะที่หลวงตาบอกว่าให้สร้างพิพิธภัณฑ์นะปิยวท่านปิยวก็เลยมาชี้จุดสถานที่ตรงนี้แหละครับเราก็เลยบอกเออเอาถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เมนของหลวงตานี่ที่พระราชทธธานเพลิงของหลวงตานี่ลงตรงนี้เหมาะไหมเพราะหลวงตามาชี้จุดสถานที่จุดนี้แล้วผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะนะเพราะท่านมาชี้จุดนี้ ต่างคนก็ต่างไม่มีใครถกเถียงกันก็เลยสร้างเมนที่พระราชทานเพิ่มที่โตกนั้นอันนี้แหละคือความเป็นมาที่ตรงนั้นอืแต่ลงตาพูดถึงไหมเรื่องพิพิธภัณฑ์พูดถึงแต่เรื่องเจดีย์พูดถึงไหมท่านไม่พูดถึงแต่ทีนี้พอต่อมาทีานี้พวกคณะอาจารย์มหาอภิญญาัยศิปลปากรเข้ามาบอกว่ามาจะทำไหมเจดีย์เรวก็ว่าทำพิพิธภัณฑ์ทําแต่ว่าให้ออกไปเขียนทั้งเจดีย์ด้วยทั้งพิพิธภัณฑ์ด้วย แต่เด็กเขาก็เลยไปเขียนออกมาไปชุมพระสงฆ์ก็บอกว่าเจดีงบประมาณสักหกสิบล้านพิพิธภัณฑ์งบประมาณยี่สิบล้านหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นลักษณะในหะ้ให้กลับกันคือเจดีเนี่ยยี่สิบล้านพิพิธภัณฑ์หกสิบล้านเพราะหลวงตาเน้นพิพิธภัณฑ์มากกว่าเจดีแต่เรื่องเจดีเนี่ย ก็สมควรจะทำถ้าหลงตาปฏิเสธยังไงเจดีคือทำหน้าที่หนึ่งพิพิธภัณฑ์นึงคือทำหน้าที่หนึ่งอาจารมาให้คำอธิบายเจดีนั่นคือเป็นเครื่องเชิดชูบูชาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สูงส่งในหลักของพุทธศาสนาว่าถูประหะบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสถุปและเจดีถูประหะบุคคลสี่จพวกนันคือพระพุทธเจ้า พระปเจดผู้ใดเจ้าพระรหัสสาวกพระเจ้าจักรพัทผู้มีกิเลสเองคือพระเจ้าจักรพัทแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอันนี้คือพวกผู้ใดเจ้าพระเจดผู้ใดเจ้าพระรหั์แต่หลวงตานี่จัดว่าเป็นพระอรหันต์สมควรอย่างยิ่งต่อพระเจดีพระเจดีใครคือเราสร้างขึ้นมาพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือประดิสฐานพระธาตุของหลวงตาแล้วก็คนทลายก็ไปกลับพระธาตุหลวงตาพอกราบพระธาตุหลวงตาเสร็จแล้ว ก็ลงมาชมไปพิพธภัณฑ์ก็เหมือนจะเป็นหลังเหมือนกับเรามีพิพิธภัณฑ์หลังยาวพิพิธภัณฑ์นั่นคือหลวงตาออกบวชหลวงตาเป็นเด็กเหลวงตาเป็นลูกชาวนาเป็นเด็กชีวิตของชาวนาเป็นอะไรหลวงตาออกบวชหลวงตาไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นหลวงตามาสร้างวัดป่าบ้านตากหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงหลวงตาจุตินิพพานทายาทของหลวงตาต่อไปภายภาคหน้าที่เป็นพระสงฆ์มีอีกไหม อันนี้คือพิพิธภัณฑ์เ อ, อมีป้ายบอกเอ อ, อธิบายทุกขั้นตอนการหาทองคําแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่ชุมชนท่านพูดอะไรที่ท่านพูดมีคำหมายว่าอย่างไรในการหาทองที่เข้าคังบุกได้ถึงสิบสามตันท่านหาวิธีการอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือแต่เมื่อเทเราทําเป็นโมเดลออกมาแล้ว อ, อแต่ละช่องและช่องและช่อง กว้างขวางยังไงจากนั้นจะค่อยคิดสร้างอาคารครอบอไม่ใช่ว่าคิดสร้างอาคารซะก่อนแล้วยังค่อยเอาพิพิธภัณฑ์เข้าไปบางทีเสานะอาจจะบดบางพิพิธภัณฑ์ก็ได้เเอพรอะนั้นเราต้องดูซะก่อนต้องให้บริษัทมาทําโมเดลออกมาซะก่อนอแต่และช่องละช่องละช่องแสงสว่างจะมาตรงไหนหน้าต่างจะอยู่ตรงไหนต้นเสาจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้มันถูกจังหวัออันนี้เนี่ย ที่หลงพ่อพูดให้กับพวกออกแบบแต่หลวงตาท่านไม่ได้ให้ทำเจดีย์แต่เจดีย์นั้นคือมีความหมายสำหรับผู้สูงส่งทูปประหาบุคคลสี่จำพวกหลวงตาสมควรที่จะสร้างพระเจดีย์บูชาพระคุณหลวงตาส่วนพิพิธภัณฑ์คือผลงานของหลวงตาเพราะเราจะต้องศึกษาผลงานหลวงตาหลวงตาได้ปฏิบัติยางไงเกิดมาอย่างไงออกบวชยังไง ปฏิบัติบรรลุมรคผลวิพานษ์ยังไงออกมาสร้างวัดป่าพันตา์จัดยั ง, งแล้วก็หาทองช่วยประเทศชาติในยามขับขันอย่างไรอันนี้คือคือพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเดี๋นี้กําลังเขียนเขียนออกมาแล้วก็ออกมาโชว์ออกมาสามครั้งเมื่อวันที่สิบสามพฤษภาที่ผ่านมาอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกรแล้วก็พระ อ, องค์เจ้าสิงิ์พาจุฑาภรณ์ที่เป็นลูกสาวของทูลกระหม่อมหญิง ขึ้นมาขึ้นมาท่านก็มาถามหลวงพ่อกหลวงพ่อจุดใจที่เป็นพระอเป็นลกูกศิษย์ถามว่าเจดี JD ของหลวงตาเนี่ยจะใช้หินอะไรจะใช้หินเาวของเมืองไทยหรือว่าจะใช้หินไวชคาราล่าหินประเทศอิตาลีหลวงพ่อก็ถามว่าหินไทยกับหินไวชคาราล่ามันต่างกันยังไงคุณภาพต่างกันยังไง ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าหินไทยเนี่ยถ้าสร้างไปประมาณห้าหกสิบปีถ้าถูกแดดถูกฝนหินมันจะด้านมันจะเหมือนเหมือนกันด้านด้านแล้วก็ตกไปก็จะกร่อนเออมันจะกร่อนเพราะมันมีแร่เหล็กอยู่ในนั้นถ้าเป็นหินไวเคลาล่าเนี่ยมาจากอิตาลีนึงถึงร้อยปีก็ยังมันอยู่เหมือนกับมีชีวิตชีวาอยู่เออในท้ายมันยังมันมันยังลื่นอย้่ในท้ามัน มันไม่มีแร่เหล็กอยู่ในนั้นมันไม่ทำลายตัวของมันเองแต่ราคานั้นไว้ White นะ์แคลล่าเนี่ยราคาแพงกว่าสามเท่าแต่หินไทยเนี่ยราคาหนึ่งแต่ตัวนั้นสามเท่าแต่เร้ขอถามพระคุณท่านว่าเจดีย์หลวงตาเนี่ยจะใช้หินไทยหรือจะใช้หินไว้์แคลล่าหลวงพ่อเลยตอบเป็นองค์แรกเลยหลวงพ่อบอกว่า สำหรับอัตมาภาพเองสำหรับเจดียด์ขององค์ตาจะอะไรก็ตามเกี่ยวกับองค์ลงตาต้องเอาดีที่สุดเออต้องเอาให้ดีที่สุดเรื่องราคาไม่ต้องพูดอันไหนที่ดีที่สุดเอาอันนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจะถามหลวงพ่อจุใจด้ยหลวงพ่อจุดใจที่พระองค์เจ้าถามเมื่อกี้นี่เออที่คณะอาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยทานหลวงพ่อจุดใจจะเอาหินอะไรจะเอาหินไทยหรือหินไวท์คาราลาอิตาลี หลวงพ่อสุดใจว่อันไหนดีที่สุดเอาอันนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนั่นแหละก็ <c oughs> เป็นนั้นว่าจะต้องได้ใช้หินกินไว้คาร่าราคาแพงแต่ถึงยังไงทางรัฐบาลจะขอยกเว้นภาษีพอเข้ามาเพื่อสร้างเจดีย์หลวงตาหลวงพ่อก็บอกว่าเจดีย์หลวงตาเนะี่ยเราคิดตูวเจ้หลวงตาหาทองคําให้เข้าขังหลวงทุกวันให้เงินบาทมันแข็งเศรษฐกิจมันแข็งเมืองไทยเป็นที่เชื่อถือแนละ้วก็ เออเมืองไทยของเราเศรษฐกิจเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะมีเงินคงขังมีทองคําอยู่ในคลังหลวงเยอะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงแข่งแข็งเพราะฉะนั้นทองคําของโวงตาเนี่ยจะคิดดูเดี๋ยวนี้สิบสามตันกว่าคิดเป็นเงินออกมาเกือบสี่หมืนล้านนะเออเกือบสี่หมืนล้านนะแล้วก็ทองแล้วก็ไอ้ดอนล่าอีกสิบล้านกว่าดอนล่าอีกบวกเข้าไปอีก กับเงินสี่หมืนล้านเพราะนั้นเราจะสร้างเจดีย์ถวายหลวงตานี่ยเพียงแค่นี้จะว่ามันแพงไม่น่าจะแพงหนาเออเราน่าจะบูชาพระคุณหลวงตาเพระหลวงตาให้กับประเทศชาติเท่าไหร่พวกเราจะให้เพียงเอาของที่ไม่ดีให้หลวงตาไม่น่าจะถูกต้องนี่แหละพ่อกันเลยเอาเแต่เขาก็บอกว่าเจดีย์คองหลวงตานี่ความกว้างประมาณ9้าเมตรแต่ว่าเสาตอนที่เปสิงเสานั่นก็แเมตรนะ อันนี้แปดเมตรห้องได้สี่เมตรอันนี้แปดเมตแต่มันเปิดอีกเมตรหนึ่งเป็นเก้าเมตรในเก้าเมตรเนี่ยเขาจะใช้หินไว้ลล์คาราาข้างในแต่เขาจะใช้ก้อนใหญ่นะก้อ น, น, นอาจจะเม็ดสองเมตรขึ้นมาเขาจะแกะเข้าไปให้มันเป็นรักษาโดมแล้วก็ซ้อนซ้อนขึ้นอันนี้ก็ซ้อนซ้อนซ้อนกันขึ้นเป็นกลมแต่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นคอนกรีตเสริมเลยหนาคอนกรีตอย่างแข็งแรงแต่ข้างในเนี่ยจะมีไว้คคาราา ลักษณะโดมข้างในแต่ข้างนอกเนี่เขาก็จะใช้ไว้คลราลาอีกเหมือนกันแผ่นใหญ่แล้วก็เขาจะล็อกกันแบบสวมล็อกกันแบบเหลื่อมกันแบบเป็นมีลิ้นเอคว่าใช้เคนยกข้มาสวมสวมใช้เคียนแล้วก็สวมตั้งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจนถึงสามสิบแปดเมตรจะใช้ค ล, า, ลาทั้งหมด แต่ข้างในแต่จะรักษณะดมแต่หลพ่อบอกอพวกคณะอาจารย์ได้คิดไว้ไหมว่าถ้าแผ่นดินไหวล่ะมันจะไม่คงคำหล่นลงมาหมดเลยบอกว่าคิดไว้อยู่กันเพื่อแผ่นดินไหวนี่สามถึงหกลิตเตอร์ถ้าแผ่นดินไหวถึงหกลิกเตอร์ก็ว่าทนได้ถ้ามันไหวแรงกว่านนะั้นมากจริงๆเราก็ยอมแพ้อีกเหมือนกันนะนะมมั น, ม, นมันไหวมาก อันนี้ก็คือหลงพ่อไ ด, ไ, ดได้ได้ถามได้ถามคณะอาจารย์ศิลปกรที่ออกแบบสร้างเจดีย์นี้แต่ทอ น, นี้เราจะสร้างที่ตรงไหนเขาบอกว่าสร้างตรงที่เมนที่เมนของโลงตาแต่ว่าจะไม่ให้แตะเขาจะเจาะเป็นรูเป็นรูใไ้เท้าวัยลักษณะเสาเสาเข็มเจาะลงไปแล้วก็มีคานล้วเกิดขึ้นมา ไอ้ตรงที่เมนเมนพระราชทานเพลิงลงตาเขาจะใช้ใช้เครื่องเจาะเจาะและ้วจะสอดแล้วจะยกขึ้นมาเอาไปไว้เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์แต่ว่าตรงที่ตรงนั้นเน่ยจะไม่ให้ใครเขาจะเอาผ้ากลุ่มไว้เขาจะทําเป็นโดมอย่างเนีน้จากนั้นเขาจะก่อเป็นลักษณะก่อเป็นแหนะเจดีเอาหินไว้แคลลาล่าเนะี่ยทําเป็นลักษณะรูปอะไรจากนั้นเขาก็จะใช้ผง อ, อบทองคําอยู่ข้างบน อยู่บนยอดพระเจดีย์อยู่อยู่ข้างในจะน้าใครจะมาในทิศไหนก็กราบเข้าไปกราบเข้ามาทุ ก, ท, กทุกทิศทางเพราะตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางในในในในเจดีย์เก้าเมตรนั่นแต่ประตูประตูเจดีย์มีแต่เขาจะใช้ประตูอะไรแล้วเปิดประตูเข้ามาก่อนแสงสว่างเข้ามาเข้ามากลาบอันนี้คือที่เขาจะออกแบบ แล้วก็วันที่20วันที่21กรกฎาคมเขาจะออกมาแถลงข่าวแถลงข่าวในเรื่องนี้แต่หัวหน้าส่วนราชการทุกทุกหน่วยของจังหวัดแล้วก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อควบคุมเมื่อแถลงการเสร็จเรียบร้อยสร้างแน่เจดีลงตาจากนั้นก็หาผู้รับเหมาพอผู้รับเหมาเสร็จแล้วก็ให้ผู้รับเหมาคิดราคาว่าเจดีนี้ ทหินทั้งคอนกรีตทั้งอะไรทั้งหมดทั้งภูมิทัศน์ทั้งอะไรทั้งหม ด, ด, ม ด, หมดเป็นเงินเท่าไหร่จากนั้นพอจากนั้นก็รู้แล้วว่าเงินที่จะสร้างจะดีจะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จ ะ, จะค่อยวางศิาลาฤกษ์อันนั้นคือเมื่อวางศิาลาฤกษ์เสร็จแล้วก็ตรีะระฆังเป่งอะไรตัวนี้ดําเนินการต่อไปอันนี้คือขั้นตอนเดีย๋ยวนี้กําลังมาถึงที่ว่าพร้อมที่จะประมูลได้ พร้อมที่จ ะ, ะแถลงข่าววันที่21ที่จะถึงก็จ ะ, ะแถลงข่าวเพราะทางพวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ตบกระเป๋าเอาไว้ว่าจะช่วยกี่ทีเท่าไหร่ลวงตาเราทำคุณไปัคุณให้แก่ประเทศชาติมากมายพวกเราจะไม่ช่วยกัน <c oughs> จะได้เหรอใช่ไหมต้องช่วยกัน